ปฏิบัตธรรมทุกท่านวันนี้ถือว่าเป็นวงคลอีกอังหนึ่งที่เราได้มาขอกราบนรรมทศการลาตามประเพณีนิยมของชาวพุทธต่อมีการโหสิ ก, กรรมไปลามาไหว้ อ, อ่อนน้อมถ่อมตนมีมาตั้งแต่นานแล้ว <c oughs> ตั้งแต่พระพุทธเจ้า มาตัดในโลกไปไหนก็ต้องลามาก็ต้องหวายอนนอนถ่อมตนที่ปฏิบัติโดยแข่งคัดคือสมัยสุ๊ตไทยจึงมีอาณาเขต ก, กว้างขวางมากมายมีพลเมืองสามล้านแต่มีถึงกรลลานตันไซบุรีสิงคโปร์เสียมนาพัศบองบ้านที่มืนนองน้องมาชานานครั้งโบราณก่อนเก่านครจัมปาสัดเมืองกลม แต่เดี๋ยวนี้อาณาเขตแคบไม่กว้างขวางพลเมืองไทยจะตอกหกสิบล้านแต่อณาเขตแคบมากแคบ้วยน้ำใจขาดการเคารพผู้ใหญ่ขาดระเบียบวิ น, นัยขาดวัฒนธรรมประเพณีของชาติไทยจะหมดชิ้นไปนับัตนีน้การไปลามาว่าจึงไม่มี ตามโรงเรียนก็หมดแล้วอย่ยไปโรงเรียนไหว้พ่อแม่สามโหนก็หมดไปแล้วครูไม่สอนไปโรงเรียนต้องไหวครูลักครูจำครูแนะครูนำครูท่ำครูกสอนเจอหว่างทางผู้สูงอายุหรือผู้รับกันอยู่ลูกการเวลาต้องยกมือไหวเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วตามมาว่าเกิดกุลยุกไปไม่หล่อ คนเข้าวัดอโมอาลามเขาจะขนชายขนดินเข้าวัดเราจะดูสมัยโบราณปูงญ่าตายายไปวัดเขาจะเอาดินไปก้อนเขาไม่ต้องการอยากจะเหยียบดินติดเท้ามาวะมาบ้านจึงมีพิธีสุดสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ของไทยโบราณจะขนชายเข้าวัดตักน้ำเข้าวัด คนโบราณเจงล่ำรวยนำจ่ายอัจฉริยะสายดีอริยลอกเยื่อเฟื้อเพล่เพ่โอบอ้อมอรีวจีไพเราะสงเคราะห์ทุกคนเขาวางตนเป็นกลางปู่ย่าตายายสมัยโบราณจึงอยู่เย็นเป็นศกเรียกวัสุขโขไทยราชธานมีปัญญามีเนื้อที่ดบีนมากหลากหลายเขาไม่ต้องขายเชิญผู้มีปัญญามาอยู่ด้วยกัน เชิญญาตสนิทมิตรหายมาปลูกเรียนอยู่ด้วยกันเดีย๋ยวนี้ไม่มีทั้งพี่น้องอยังแย่ยงที่กันแค่คือบเดียวยังแย่นี่แหละคนมันขาดน้ำใจขาดการเคารพพ่อแม่เคารพครูบาอาจารย์เคารพปู่ย่าตายายบ้านเกิดมังนอนชาติปุพุมมาติภูมทั้งตมมาจนบัตรนี้ตมาว่าจะไปไม่หลอด แล้วครูโรงเรียนสอนเด็กนักเรียนอาตมาไปยืนสอนให้ไหว่พ่อแม่คุณเดี่ยวและยืนไหว้ด้วยน่าจะกล่าบไปว่าพ่อแม่เป็นพระรหัปพระในบ้านไม่มีแล้วหมดขาดหน้าซุ่อดาศการโหติกรรมก็ไม่มีแล้วขอสมาลาโทษไม่มีแล้วโบราณท่านว่าไหว้คนบ้าไม่ถือคนดื้ออย่าไปสอน คนตอนอย่าพบคนประจบขอพ อ, อย่ารับคนทักอย่านิ่งคนจริงอย่าหนา่าคนอายอย่าไปล้อคนมาง้อขอโทษอย่าโกรธเขาเลยนี่คนโบราณเขามาง้อขอโทษแต่เขาไม่โกรธกันเดี๋ยวนี้หน้าดําหน้าแดง ม, มันยักษ์ยักษ์มากมายยุคใหม่ใช่ไหมมนุษย์หมดไปยักษ์เขามาแทนที่สร้างความไม่ดีต่อไปนาหรือใดเวลาที่มีประโยชน์แก่ท่านทั้งหลาย อาตมาว่ากระทรวงศึกษาไปไม่หลอกถ้าใครเป็นครูบาอาจารย์ขอฝากผอผ อ, อแอมาที่นี่เยอะไม่เคยสอนบอกว่าเด็กมาเข้าวัดนั่งสมาธิสวดมนต์เวทะเสียเวลาเรียนกระทรวงศึกษาออกมาอย่างนี้สปอประจแบบฟอร์มอยู่ที่ถามเด็กสวดมนต์ดีไหมไม่ดีคิดเด็กตัวท้วัวก็กสัมปนั่งสมาธิไม่ดีคิดแล้วเอาเด็กมาเป็นตาลา ขอประจอฝากไปด้วยจะใครเป็นครูมาที่นี่เลยขอ อ, อบอกกับครูช้งคมบอก เ, อเด็กมาวัดเพื่ออะไรที่นี่เลยจับได้เลยใครจะเสียงอาตมาไม่ได้เพราะเอาเรื่องสิ่งพูดอตาตมาประเทศไทยไปไม่หลอดแน่ไปไม่หลอดแน่นะลูกหลานไม่เคารพผู้ใหญ่แตอยากจะเลี้ยนถามท่านทั้งหลายว่าหัวใจวัฒนธรรมมีอะไรบ้างท่านจะตอบอาตมาว่ายัางไง หัวใจวัฒนธรรมมีสามข้อข้อหนึ่งคือเคารพผู้ใหญ่ถ้าไม่เคารพผู้ใหญ่จะไม่มีระเบียบวินัยข้อสองต้องมีระเบียบวินัยถ้าไม่เคารพผู้ใหญ่ไม่มีระเบียบวินัยถ้าเคารพผู้ใหญ่สักข้อเดียวเชื่อฟังผู้ใหญ่จะมีระเบียบวินัยสามประเพณีวัฒน ธ, ธรรมของชาติจะปรากฏชัดเรียกว่าคำนวณทำเลียมประเพณีไทยนีช่ชัดแล้วนะแต่ครูไม่สอน กระท่วงศึกษาธิการอาตมาว่าเสียดายเมื่อก่อนเนี่ยขอจเจริญพรท่านพูดรัตันยูทุกท่านมืาก่อนมีศึกษาธิการจังหวัดคนเดียวศึกษาธิการอำเภอคนเดียวบริหารศึกษาเรียบร้อยเดี๋ยวนี้มีพร อ, อ, อพรอแอรเยอะหมดจ็ไม่รู้จะเรียกวอย่างไงเลยไม่รู้ใครเป็นผู้บังคับบัญชาเลยการศึกษาเสียหายเดี๋ยวออกมาอย่างนั้นเดี๋ยวออกมาอย่างนี้อะไรบ้าบอคอแตก ตามาว่าไปไม่รอดทาไมไปเอาแบบเก่าไปไม่รอดผู้ใหญ่คนเดียวเนี่ยเขาบริหารงาน่เดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่มันเยอะเดี๋ยวนี้นิ้วเท่ากันหมดแล้วเพราะเจริญพรดลหมองนิ้วเท่ากันไปไม่รอดนิ้วเท่ากันไปรอดไหมไม่มีนิปโปนี่ชี่นิ้วนางตัวจับสลิกามันเท่ากันจับไม่เดินจับไม่เดินเดี๋ยวนี้พู้น้อยผู้ใหญ่เหมือนกันหมดเลยพราะอ o, พราแอรทั่วหมด พ่ออรโรงเรียนยังมีพ่ออรกรมสามัญประจำจังหวัดยังมีพ่ออสพจสพแจหลายพ อ, อมากมายไม่รู้จะขึ้นเหลือนไขเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเคารพศึกษาธิการศึกษาธิการไม่มีความหมายศึกษาธิการก็ต้องไป ห, ห, หางานวัดทำไปไม่หลอกเมื่อสมัยก่อนเนี่ยแตมาเป็นเด็กนักเรียนมีศึกษาธิการคนเดียวบริหารช่างโรงเรียนประถมช่างมัธยมคนเดียวเหลือกินเขาเคารพกัน เดี๋ยวนี้ผอเยอะแยะในอำเภอก็ไม่ไล่ความหมายผู้ว่าการจังหวัดก็ไล่ควมมาไม่มีการเคารพกันเลยกันจะครึ่งเดือนแล้วอ๋อของใครของมันเลยไม่รู้ว่าผู้ใหญ่คือใครผู้บริหารคือใครไม่มีแม่ทัพไม่มีจอมทัพจอมทัพมีคนเดียวคือพระเจ้าอยู่หัเดี๋ยวนี้จอมทัพมีทุกคนเป็นจอมทัพกันหมดจอมคนนั้นจอมคนนี้ทั้งหมด เลยไม่มีจอมพลคือพระเจ้าอยู่ตมาว่าเสียดายเหลือเกินอี่จะไปไม่หน่อดตมาได้ยิงครูเ้าสอนนักเรียนไหว้พ่อแม่หคนเดียวยืนไหว้ก็น่านะแต่น่าจะตีความตามคําสอนขพอมูลจาว่าพ่อแม่เป็นพระละหันนี่ไม่ใช่พระละหันพ่อแม่เป็นพระละหันของลูกใช่ไหมไม่มีเลยเดี๋ยวนี้เอาพ่อแม่ไปไหว้ กรมประชาสงเคราะห์ไปดูบ้านฉลามาชี้วัดนี่หลายคนเลยมาชี้ได้พ่อแม่เลี้ยงลูกได้สองแปดคนสิบคนแต่เลี้ยงพ่อสักคนเลี้ยงไม่ได้นี่เนี่ยสอนกันอย่างนี้สอนแม่ไปลาไม่มีการเคารพผู้ใหญ่เลยอาตมาว่าวัฒนธรรมไทยหมดแล้วหมดแน่นอนทีุ่ดเขียงพ่อเสียงแม่คำไม่ตกฟ้านี่ชื่อกุติเลย คณะปริญาโทเดินผููกัเตียเดินพูดกัแม่บอกนั่งลงเพราะเตียแม่เธอไปลุกเสด็จ น, นั่งลงปริญาโทตุลาเดินผูดกับเตียได้นี่ปากกล้าขาแข็งเลื้งพร ะ, ะหรหัสนี่หมดทางเนะี้ยท่านสาธุชนที่รับทางานเรามานั่งกรรมาฐานเพื่ออะไรก็ไปสวรรค์นิพพานานี่นแหละไปยานทิพกน่าจะนั่งกรรมาฐานให้ลึกเหตุการณ์คุชคีกัน เพื่อนากรรมาฐานให้เกิดความรู้สู้ความดีมีปัญญากร็รมาฐานทาให้ฐานหนดีกร็รมาฐานแปลว่าแก้ปัญหาชีวิตกร็รมาฐานแปลวล่าไงแปลว่าหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบด้วยความถูกต้องต้องแปลอย่างนี้ไม่ใช่กร็รมาฐานจะไปสวรรค์นิพพานยานที่หกขึ้นแหละ สามวันได้ยานที่พกเลยเป็นโสดากันหมดหมดประเทศมันชึงเดเป็นเหตุผลที่นาเกลียดเรื่องเกิดตามมาว่าวัฒนธรรมไทยจะหมดไปแล้วระบาดต้นเดียบพระเจ้าอยู่หัวรับสังว่าคนไทยมีของดีมากคนไทยมีของดีมากแต่เอาไปทิ้งให้ฝรั่งเก็บเก้นหมดแล้วเมื่อกี้ก่อนจะมาเนี่ยรับโทรศัพท์จากรัฐโวชิงกั รับโทรศัพท์จากต่างประเทศไปถามอย่างมาั่นแน่นอนองนี้เนื้กรรมาฐานเจวนาที่การงานต้องรับผิดชอบตัวเองไปรับผิดชอบคุณโน้นไปรับผิดชอบคนนี้ก็ถูกต้องประการณได้ไปนั่งกรรมาฐานนี่วันนี้พระมาจากโคราบอกองค์หนึ่งเข้าป่าไปแล้วบ้าบอคอแตกไปแล้วไปนั่งพุโทโธไปเจอพุทธเจ้าขอบไปเลงใหญ่แล้วสามสามังษาตัวปฏิโมกเก่ไปแล้วไปแล้วเนื้อไม้คู่นึง พราธูดงบอกให้ท่องคาถาไปเจอพู้เจ้าเดือดเ่มือไม้สามไปหมดแล้วเอาอยัางไงกันแน่อาตมาว่าเสียใจโยมหมอ่อมวัดห้า0มื่นวัดสอนไม่ตรงสวัสด์ไม่ได้เอาหลักสูตสติปัฏฐานสี่เลยนะสมเดเ็จปริญญาในสังวรศาสนาโสลณอาตมาไปเคารพท่านตั้งแต่นั้นนานแล้วใช้มน่ตลอดสติปัฏฐานสีสติที่สุด ย่าขาสติคาสติมันจะไม่มีสตังคาสตังจะไม่มีอะไรนาสิได้โอกาสพระไปเข้าในถ้ำในเทวปริญญาโอตุลามานั่งที่นี่ทีห้าวันดีเนี่ยเพื่อนพาไปโนนครถวัตรไปเข้าถ้าเขาเหวิบปัต น, นี้ยังไม่แปลบมากพระพาเขาทาไปเลยมันจะถูกแล้วถ้าทําพาบุญหญิงเขาทา ไปเจอดวงกรรมฐานเสียใจยมาคือพระมาจะโคราถามบอกนั่งเพื่ออะไรท่านไม่ทราบเลยนีมาเร็วๆจะมาไปพูดถึงวัชมะยาเจ้าวาสามร้อยองค์นั่งฟังถามเจวว้าวาดดูกรรมฐานแล้วอะไรตอบไม่ได้เลยตอบไม่ได้เลยกรรมฐานต้องแปลวา่ากามฐานแปลว่ากรรมฐา น, รร ม, ฐานมีห้าต่อๆแบบนี้ โยมผู้ชายเคยบวชแล้วอยากจะเรียนถามว่าก่อนจะบวชก่อนจะอุปชาจะให้ผ้าเรียนกรรมฐานนี่เปล่าเรียนหรือเปล่ากรรมฐานคืออะไรเกศสาโลมานาขาทันะะตาตะโจตะโจทันตานาคาโลมาเกศสาตอบ ต, ตรงนี้ถูกมะฝลังอกแห้งไปตอบกรรมฐานไปสวรรค์นี่ผ่านมนุษย์โสซิทํากรรมฐานต้องการให้เป็นมนุษย์มนุษย์โสซิเป็นมนุษย์ปล่า อามะพันเตเป็นมนุษย์ถึงจะบวชฮะเด็กผู้ชายเคยบวชต้องรู้ตรงนี้มนุษย์โฉสิเป็นมนุษย์หรือเปล่าไม่เป็นมนุษย์บวชไม่ได้มนุษย์สเปตตอบวชไม่ได้มนุษย์สเสดระฉาโนบวชไม่ได้มนุษย์เสเนระฉโนบวชไม่ได้บวชมันเจะยุ่งพระถึงยุ่งกันจัดเอาพระเนระโกมาบวชไม่เป็นไปแมมนุษย์โฉสิไม่เป็นมนุษย์โฉ ส, สิถึงได้ยุ่งกันนะยุ่งกันกทุกวันตัวมัน ถ้าเป็นมนุษย์บวชได้แต่เดรัจฉานแปลงมาบวชบวชไม่ได้สามารถเดรัจฉานโอมนุษย์เดรัจฉานโอบวชไม่ได้พญานาคแปลงมาบวชยังต้องให้เฉดกิตเดรัจฉานบวชไม่ได้จป็นเมกาําถามว่ามนุษย์โสซิยรองผู้ชายจะเคยบวชจะรู้ตรงมนุษย์โสซิอามะแผนเตเป็นมนุษย์เจ้าค่ะบวชได้มนุษย์โสซิไม่เป็นมนุษย์บวชไม่ได้กลับไปสจะด้น แม่เนี่ยถ้าใครเชื่อพระพุทธเจ้าทํทาตามจะไม่มีปัญหาเลยนะจะไม่มีปัญหาคนเรามาบวชไม่ได้เป็นมนุษย์เลยมนุษย์เดรัจฉานองร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเดรัจฉานขวางคนโน้นขวางคนนี้ไปคนโน้นเตะคนนี้ใครจะทำดีต้องไปขวางนี่ะสื่นใจมาเป็นพระดิจัายญาติโยมชายโยมหญิงที่เคารพโยมมาเนี่ยมาบวชไม่ใช่บวชหยัง บวชเน่คัมภีรปฏิบัติธรรมต้องการจะเลึกถึงคุณบิดามารดาข่าพ้อนน้ำนมของแม่ได้แน่นอนเนี่ยแล้วแม่ผูคอตายไม่รู้ว่าแม่ผูคอตายกลับขึ้นจากนรกได้มีตัวอย่างที่คนบางกะปิใส่เกจบัตรนี้ไปลองที่ไปดีนะแม่ผูคอตายมาตอนเขายังแบบบอกคนผูคอตายฆ่าตัวตายเนี่ยทำบุญไม่ถึงต้องหนั่งกรรมฐานจะได้ มาเข้าฝันเนี่ยเป็นตําราที่เราต้องลงมาทึกแล้วจะลงกดแห่งกรรมไม่ได้เราก็เป็นรองชั้บดีเราเป็นผู้หญิงถ้าลงแล้วว่าแม้แม่ข่าตัวตายเดี๋ยวก็มาถามม่าล่ดเขาเข้าใจผิดคิดวันน้าเนี่ยเป็นแม่พอเขาแม่เขาตายผูกเขาตายเนี่ยเพราะว่าเขายังแบะ บ, บอกสามเดือนเท่านั้นถ้าจะรู้เรื่องขอฝาญาติโยมมานั่งกรรมมาถามไม่ต้องการไปสน ต้องการจะแก้ปัญหาชุดแต่บางคนก็พูดผิดว่า น, นางกรรมฐานตัดกรรมได้ตัดได้ที่ไหนมนงั้นอาตมาก็ไม่ต้องขอหากสินะฟ้าพาแล้วนะเนี่ยนากรรมฐานต้องการจะใช้กรรมแต่ว่ใช้มันหมดในชาตินี้ชาติหน้าจะได้ไม่ต้องมาเกิดไม่ดีเหรอกาติบัติกรรมฐานต้องการจะรู้กฎแห่งกรรมเนี่ยไม่ปฏิเสธทุกข้อหา ต้องใช้แน่นอนเราเป็นนี่เขาไม่ใช้อย่างไรนะไม่งั้นจะอาตมาจะรู้เหรอว่าส4บสี่ตุลาคอท่านจะหักรัจชนเที่ยงสีบ้าสองพันหรอยี่สบ็ดหมดอายุแล้วแต่เราไม่รอดด่ะอย่าลืมโยมทุกคนโจทย์ส้งใจฟังอาตมาพออายุได้กรรมาฐานต่ออายุเทวันเกิดมานน่กากรรมฐานบอกรยว่าบุายเวันเกิดกินเหล้านะ ไปเลี้ยงเพื่อนโฮเตนที่ลาจดไปเลยหานเลยหานเลยหานอายุสั้นเลยต้องตายไวขึ้นนี่ยมจะประจวบขึ้นงไปแล้วจะยมอะไรจำชื่อไม่ได้ที่ีหยกินเหล้ามาสี่สิบปีพัญญานั่งกรรมฐ า, านเลิกเลยบอกหลวงพ่อครับผมกินเหล้ารุ่นเดียวกันตายหมดแล้ว ไอ้วันเกิดจะกินเหล้ากันหัวลาน้ําตายหมดแล้วเหลือแต่ผมคนเดียวผมต้องนั่งกรรมาฐานไม่งั้นผมก็คงตายเนี่ยนี่เห็นไหมจังหวัดประจวบถ้าวันเกิดนะใช้โยโหเวลกินเหล้าเลี้ยงเพื่อนเสียใจด้วยนะวันเกิดของเราวันตายของแม่น่าจะเลี้ยงแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ไหมไม่มีเลยครูโรงเรียนไม่เคยสอนให้เดินพูดกับพ่อแม่ให้ไหว้คนเดียวกระสวงออกมาอย่างนี้เดี๋ยนี้ เสียใจด้วยนี่ครูโรงเรียนแผนยาขายยาเสพติดให้เด็เอกอีกไปรอดนะไปไม่รอดเอาตมาว่าเสียใจด้วยตัวใครตัวมนันช่วยกันเ อ, เองโัวใครตัวมนันช่วยตัวเองโยมอย่าเอาทุกข์จรมาวันในใจเลยไหมมาจารย์ละมคมขืนแค่ไหนทั้งรักทั้งแค้นทั้งแน่งสวงถึงหวงหนักห่วงในหัวใจามาสิได้เวลาที่เกิดมาหมดแไตไ่เรียกคืนไม่ได้อย่าคืนไม่ได้ หลวงพุทธายเคยบวดแล้วต้องรู้ว่ากรรมฐานคืออะไรตะจะปัญจกะกรรมฐานมีมาตะกรรมเนื่อเกิดมันจะท่องมาดังนี่คือเกษาโลมาอุปชาให้ก่อนถึงจะห่มท่านอ่าเรียกว่าตําราคนเค็ดให้เป็นมนุษย์มนุษย์สอนเซ่ไม่เป่มนุษย์บวชไม่ได้เดี๋ยวนี้บวชกันซ้ำซากมนุษย์หรือไม่บวชบวชตะพืชใครมาก็บวชเรก่องหัวบวชเลยนั่นนะบวชกล้วยบวชละทองบวชทีใส่น้ํากะทิ บวดรับบวดร้องบวดรองประเพนี้บวดนี้ฉันสารบวดสายก็ฉุกบทสนุกตามเพื่อนอกหักหลากร้อยบวดคอยงานบวดฉันสารเสื่อมหน้าจะบวดด้วยเรื่องสายไม่เรื่องสายบวดไม่ได้ทวนแล้วสองวันจะบวดอแล้วสมุนตรีก็จะบวดกันที่นี้เชิญแต่ต้องท่องได้ต้องต้องรู้จักต้องเรีอนวันที่สองบวดสิบห้าองค์วันนี้บวดสิบห้าองค์ไม่ใช่บวดกล้วยนะ บวชกล้วยไปที่อื่นบวชที่อื่นแล้ไปถึงเช้าเย็นบวดเลยนะแล้วกินโต๊ะเลยนะโต๊ะเต็มเลยนะบวชจะกินโต๊ะเต็มเลยแห่กันใหญ่เลยเสียใจบวชกล้วยบวชทศทองวัดห้าหมืนวัดคุณยมมอมต้องขอพูดวัดห้าหมื่นวัดช่วยกันหน่อยเดีนะสอนให้มันถูกต้องสติปัฏฐานสี่ดีสุดนี่เราได้จากสมเด็จพระชังกหลนี่ของอยู่ยังหลีครับไฟฉายไม้ท้า นาฬิกาดุกครับกตเป็นที่เล็งแต่เป็นสาสนาโสพลเนี่ย บ, บ่เคารพบูชาทุกสิ่เราปิดทองหลังพระดีกว่าหน้าพระใช้หน้าหน้าทนดีกว่าหน้าหน้าทองใช้หน้าหน้าทองมันลอกได้หน้าหน้าทนซิอดทนซิลงุงปนิ่ลงลุงปทนลุงปทนลุงนิ่งไปไหนตาดููาฟังปากนิ่งเตะเล็บเว้มมือทําแต่ความดีจะได้มีปัญญา สู้หน้านาทนก็จะมาอยากทนตากแดดตาฝนวก็ทนได้หน้านาทองเนี่ยหลอกหลอกเก่งแต่ลงหน้าหน้าทองวัดโน้นลงหน้านาทองโดนหลอกหน้านาทองดีหรือดีกว่าหน้านาทนเลยอดทนดีที่สุดเจ้าหน้านาทองเลยไปลงกันอย่าอย่าอย่าคิดโยมใะโยมมีฟ้าอะไรเหนือฟ้าเหนือกดเห็นตามีไหม มีไหมเนี่แเขาโกรธกรมีไหมนี่ต้องคอหักแขนหักขาหักเป็นคนพิการว่าพาแล้วนนเนี่ยต่ออายุได้กรรมฐานต่ออา ย, ออายุเราจะเห็นได้ว่าโยมผู้ชายโยมผู้หญิงที่เคารพเราจะเห็นปู่ย่าตาชัว่วกำลังป่วยไม่มีโรงพยาบาลตายมาชไหมป่าสิบเก้าสิบมีโรงพยาบาลไหมไม่ยุ้จา่าไม่มีแล้วนะ ต้องตายที่บาทเวลาปู่ย่าตายายป่วยหนักมีมูมพลพระมาตอนนาส่วนตอนนามก็คือมาสอนกรรมฐานคนป่วยได้เย็นสติประฐานสี่ตัวสติประธานสี่เลยฟื้นเลยสติดีขึ้นเลยก็ว่าพระสวยขรนราวไม่ใช่พระมาสอนกรรมฐานนะกรรมฐานเป็นการต่ออายุได้ไม่เชื่อเลยเหรอองเนี้ยตายไปแล้ว20่สิบกว่าปีเล้ว ตอนคอหักสองเลสองทางรอยยีเบ็ดคอหักพับไปหาใจสันสะดือได้โยมอยากหายใจสันสะดือได้ไปดูนี่เลยไปลองดูไปให้ลถทนให้คอหักไปเดี๋ยวจะหาว่าโกหกนะไม่โกหกตามวังคุนี้เห็นด้วยไหมตามตอนคอหักเคยได้ยินชื่อไหมตอนคอหักรู้จักกันหรือยังฮนะยังเลยหนะโยมพะจนรู้นะ ยองประจนวัดบบอรที่มียาที่ฟันไงละ่ะไปไหนใช่ไหมอืมไม่เป็นไรกรรมาฐานต่ออยุดิถ้าโยมบอตอต่อกันไปถ้าวันเกิดของลูกให้สวดมนต์ถามกาและงานกรรมาฐานอายุจะยืนจะคูณเลยสมบูรณ์แบบถ้าวันเกิดกินเล้าใช้ย่อ โฮเทนว่าโฮเทนว่าหรือเราเรามาวะแล้วกลับไปหาเสื้อเดียวเห้เสื้อเดียวฮะมาลองเพลงนะหานเลยหานเลยนี่จะหานไหมหันให้เหลือสั้นตายทันทีหมดไอายุเลยก็ขอประทานโทษคนลรวต่ออาุได้ราช ก, การก็ต่ออายุได้อาตมานี่ยสตออายุไม่ได้ตายแล้วสองพันห่งร้ยยี่สิไม่จะไม่เดิมาพบอยู่ ตัมมาก็มีมือดีอันคอหักถ้าเวทสุวรรณเจ้ากรรมในเวททั้งหลายข้าพเจ้าขอหักคาบดีข้าพเจ้าหักคอนกไปเลยร้อยตัวแล้วก็ทกหัวมันหนังนี่ทกหมดเือขอท้าเวทสุวรรณเจ้ากรรมในเวททั้งหลายเอ๋ยถ้าหักข้าพเจ้าให้มีมนุษย์หมดขอให้ข้าพเจ้าไปเลยลูกคุ้นทางเนี่ยว่าเดินทางทางใช้เอก จิดประธานสิรู้แล้วสองฝ่ายทางนี้เนี่ยแต่ข้าพเจ้าใช่มีมนุษย์ไม่หมดขอให้ข้าพเจ้ามาแก้ตัวหน่อยได้ไหมมาใช้มนุษย์ให้หมดไปโอ้โหเฟินเลยพวกสายรถไปตกร่องคอติดเลยไหมเราที่สานไอ้คนสายรถไอ้บุรุษพยาบาลแหมถ้ากูไม่สายตกร่องมันจะติดและคอแหม่ต้องให้พระสมเด็จบรรคังแต่คนโรอง ไม่บุญคุณน่าจะให้ท้าเวศวันนะเจ้าคำในเวรเนาะขอติ๊กเลยปวดตูดเลยให้ไหมตูดเนี่ยอย่าล้มไปนะอย่าล้มไปนะถ้ากระแทกตาฉุกหลาดเนี่ยบางทีโรงพยาบาลฉีดยาเขาขารีบเลยลองดิเพราะฉะนั้นขอสรุปเกณฑความอย่าเตะตูดตลูกเลยไหมเนี่ยยอมสาวๆอย่าเตะตูดหลาน สาวน้อยอย่าเตีตูดหลานอย่าตบหูลูกโตด้วยเป็นตูดประสาทจะเรียนหนังสือไม่ได้องนี่เป็นพยานสมัยก่อนเนี่ยญี่ปุ่นเข้ามาตอนอาตมาอยู่โรงเรียนสั้งพามโรงเรียนสองญี่ปุ่นถือตูดขอะถานถาทอดใช้ไปตอบตูดไม่ได้ตรดมากเราก็ไม่รู้เหตุผลจผับหัวเ่หัวไม่ไ่วไม่รู้เหตุผลญี่ปุ่นมันถือล่ะส่วนคอหักคอติดไปยาปวดตูด ถึงได้รู้ว่าสูดเนี่ยครับประชาทอันเดียวกันลองถามหมอดูสิลองเคสยาตรงนี้สิทำไมาจะสีทำไมกระถีให้โยมจับได้เลยเพราะเราประชบมารับรองขารีบเนี่ยให้ตูดประชาทตรงเนี้ยถ้าล้มลงไปตายทุกไลน์ขโมยแสกอย่าเตะโส ด, ดโลกจะเรียนหนังสือไม่เก่งแล้วอย่าดุลกอย่าครูลกจะเซนตกจะเรียนหนังสือไม่จบเป็นอย่างเอง็ด ทำให้ขี้ขลาดขี้กลัวเช่นตกเพราะฉะนั้นจึงต้องกลรบมาฐานต้องเข้มแข็งอดทนโยมผู้หญิงมีกลัวผีไหมมีใครตัวผีไหมฮนะไม่ต้องกลัวอย่ากลัวผีรูปร่างเป็นไงฮ ะ, ะนี่กลัวคนดีกว่าไปกลัวผีคนนี่มันหลอกได้ผีหลอกได้เหรอผีหลอกได้ไหมผีมันโกงได้ไหม กัวคนที่มองมอออก็ไปเชื่อผู้ใหญ่ทําไมไปสอนเด็กทำไมเ น, นี่ยบอกกอาคุณแม่ทั้งหลายอย่าหลอกเด็ก ก, ก็แกกิงกลับอย่าหลอกหนูๆอย่าล้อก็แกกิงตับยาเด็กที่ขาดหมดเลยไม่ต้องเรียนหนังสือต่อไปเลยไม่ต้องเรียนหนังสืออายุยังไม่พอยี่สิบเซนต์ต่อที่ขาดที่กลัว อย่าสอนให้กลัวผีเนี่ยที่เรามาเจริญกรรมฐานนี่ตากปริพักกังวลแล้วนะอย่าไปสนใจคนอื่นเพราะคนมาต่างพิมต่างฐานไม่เหมือนกันแล้วคนในวัดนี่ก็ไม่เหมือนกันมีทั้งดีทั้งไม่ดีเรามาทําตัวเราเองเโยมสร้างสติให้กับตัวเองอย่าไปสนใจคนอื่นก็เลยถ้าเราไปสนใจคนโน้นคนนี้ไม่ต้องทำกรรมฐานแน่นอนไม่ต้องทำเลยมันเสียอารมณ์กบหล่ะ เขาจะพูดดีพูดเพราะมันอย่าไปสนใจได้ไหมเพราะหูเสียงเขาก็หูเราเป็นคนละอันเนี้ยอย่าเอาหูออกไปรับเสียงเขาจะด่าจะว่าไงตัดไปเลยเสียงหนอแล้วไม่ฟังเธอ้วสติสัมปชัญญะจะบอกว่าเสียงหนอฟังด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาอย่าไปเห็นด้วยกิเลสถ้าเราลมมา้มไม่ดีไปเห็นด้วยกิเลสนึกชอบนึกชังคลั่งรักคังชัง ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาจะมองคนในแง่ดีหมดเพราะคนเราเขาประทานโทษมีทั้งดีทั้งไม่ดีมีทั้งดีทั้งไม่ดีอย่าไปว่าเขาไม่ดีไอ้ที่ดีทําไมไม่มองเพาะมัไปมองชื่ไม่ดีเสื้อะดชแท้ไปหาที่ขาดสุดจนไมันขาดตรงไหนคนที่ดีมีปัญญาจะมองคนในแง่ดีหมดโยมอารมณ์ดีแล้วจะฟังดนตรีเพราะหมดทุกข์ลย ถ้าล้มไม่ดีเนะ่ยโดนตีเพราะยังไงก็ไม่เพราะครพูดหวานยังไงก็คลื่นไส้ถ้าล้มดีเนะี่ยคนด่าก็ยังคลื่นใจถ้าล้มไม่ดีคนพูดเ พ, า ะ, เพาะก็คลื่นไส้เหมือนโยมเป็นทํากับข้าวแม่ค้าขายอาหารอารมณ์ไม่ดีเนะี่ยทำกับข้าวไปตั้งโต๊ะคนกินคลื่นไส้ถ้าอารมณ์ดีนะใสยน้ำปลาสรงเด็ดยังอร่อยเลย แล้วก็แม่ครัวหน้ายิ้มอย่างเนี้ยไม่อร่อยเหรอแล้วบางหน้าครัวเนี่ยแม่แม่ครัวมีนังกวักเนาะหน้าอย่างเนี้ยกินลงไหมเนี่ยยอมผู้ชายแม่บ้านนาอย่างนี้กินลงไหมนะเคยไปบ้านเพื่อนไหมแม่ของพรรยาของเพื่อนหน้าอย่างนี้กินลงนไมมงญญงหงงมคงจะไปโหนเดี่ยวตมาไปมาหมดแล้วทั่วโลกแล้ว ไปบ้านเพื่อนแต่งตัวไม่ดีพัญญาเพื่อนก็เห็นขา้าดูนะ้าแต่หัวแลแ้วตายท้าเลยมันมีกรรมฐานดูแล้วก็คอนพักกว่าวั ก, กแหมยังไม่ทันจะรู้จักแล้ว อ, อตาด่าเราแล้วโอ้โหเห็นเราเป็นอะไรไปได้เนาะเรานี่เป็นเพื่อนผัวเขานะเมื่อกว่าเราจะมาขย่มเงินผัวยังไงดูคนไม่เป็นยังไงไม่รู้เลยว่าเราเนี่ยคือเงาะป่า ลอมแปลงมาเพื่อจะไปหารลจนามันจะพูดเล่นเนาะดูเราเป็นอะไรไปได้แล้วเราก็แต่งตัวดีนะใส่เสื้อเชิดโนพรัดขาดปะสามแ่งใส่มัวก็ขาดมีนาฬิกาหลังหนึ่งไวเลอร์เวลาจะตั้งทีต้องดูตะวังมันบายได้แค่ไหนมันไม่เดินลานมันขาด เขายังดูถูกเราแล้วก็หากับข้าวมาในเรื่องจริงของอาตมาเลยตำนาน จ, จริงและประสบการณ์คือผูญญ้ยานตผมเอา่ำนับมาเสือกแต่ผัวเขาเพื่อนเราไม่เป็นไรเพื่อนเลยกินให้มากๆก็าทั่งที่วันนั้นหิวตลอดวันาตาลังหมดแล้วที่ไปแหนีแม่ไปถึงไม่มีเครื่องแล้วมีกระเป๋าย่างดี กระเป๋ายังดีเลยใครเห็นเขาก็คลื่นไส้กระเป๋าอะไรรู้ไหมมีผ้าผัดน้ําอาบน้าอยู่ผืนเดียวเสื้อจันทบูรกระเป๋าเสื้อจันทบูรรู้จักไหมหรือไม่รู้จักเกิดไม่ทันเนาะแล้วก็เห็นกระเป๋าเราเขาก็คลื่นไส้เขามีกระเป๋าหนางแต่เรามีกระเป๋าเสือ้อดีไหมเราเอาข้ามาเสือประวัติววาศาสตร์ต้องบันทึก แล้วรูปร่างพันพญาครับสวยคนนี้สวยมากสวยน่าเกลียดพีแล้วพระราตราก้าวใส่ปากนะแล้วก็แงไปดูคอนพักที่ลงไหมเนี่ยกีนลงไหมเลยวันนั้นหิวตาตากินไม่ลงเลยต้องวางช้อนบอกเพื่อนเนาปวดท้องคลื่นเสียนเวียนกล้าคืนเสียนเวียนกล้าวแล้วก็แงไปดูเมียครับ เมียครับดูผู้หญิงดูง่ายดูนกยุงดูแววที่หา่าดูผู้หญิงดูแววที่ตาเห็นหนอตามันดา่าเราตลอดมันไม่ได้รักเราเลยเหรอว่าเราเนี่ยเป็นเพื่อนผัวเขาอจะยิ้มกับเราสักนิดไม่ได้แถมเอาตูดด่าเราอีกนะแล้วลมันอ้วนด้วยขอประทานทอดเดือดจริงเวลายกคำรับมาลงสน้น ปึ้งตึงถ้าลงส่อนนะตูดมันจะเยิมเยมเยิมเนีย่ย <c oughs> ดา่ดาเราด่าเอาลองทีลโลกลงส่อนต้องไปเลยอันนี้เราไปตีเขาได้เมียเขาใช่ไหมโอ้ตายไปแล้วไม่ไม่ไม่เดีย๋ยวเล่าก่อนอยัง มันดูคนไม่ถูกนี่เพื่อนเรานี่ที่เรานี่พิจิตถานะีวังกรดไปเยี่ยมเพื่อนก่อนจะบวชตามากราเมืองเทจะบวชก็หนีแม่ไปหาเพื่อนไปลาเพื่อนโหสิกรรมต่อเพื่อนจะมาบวชท่านั้นเลยได้ํานาจริงเดี๋ยวยอมผู้ชายกอข อ, ข อ, ขอประทานโทษถ้าไปเจอมัง่งยอมก็กินข้าวไม่หลงเรายังไม่รู้จักกับเขาเลยแสดงมารยาทอย่างไม่ควรเป็นแม่บ้านที่ดุ แล้วเนี่ยในเวลาการต่อมาจะมาบอกเพื่อนเนี่ยรถไปยังอยู่ไหมเราจะไปหาเพื่อนพิชโลกนอนพิชโลจากพิจิตรรถช่ อ, องทุ่มยังมีบอกไปสมวาขอตังค่ารถ ด, ด้วยตังไม่มีหมดวันนั้นทั้งวันไม่ได้กินข้าวเลยถิ่รู้ร่างกายระวัตาิาต้องบันทึกเพราะฉะนั้นแม่บ้านดีสุดหัวไม่ดีแม้แตลแม่บ้านดีลักคนเดียวลูกดีหมด หัวดียังไงแม่บานอย่างเนี้ยลูกเอาดีไม่ได้หมคนนี้มันพกหนังกากมามากแล้วมองเราคอนตาเราดูตารู้เลยจะลากเราไม่ละถ้าลากเราตามันจะยิ้มถ้าลากเปลี่ยนเราตามจะแข็งตามันจะกลับตากลับตากลับแล้วว่าคอนคอนสามชั้นเลยดูคนไม่เป็งไง องนี้ดูคนเป็นเห็นหนอนี่เล่าพระประการให้ฟังแม่บ้านดีสา ม, มีเป็นไรได้แม่บ้านเลวสา ม, มีเป็นในพนไม่ได้สา ม, มีเป็นเจ้าเมืองไม่ได้แม่บ้านไม่ดีสา ม, มีเป็นอาเสียไม่ได้เป็นได้แค่เพียงอาเหี้ยกระตุ่เวเหี้ยมันจะผู้เล่นนะอันนี้เปรตว่าฉากต้องประทับ อาตมาก็เดินทางไปพิษลกสี่ทุ่มแหละไอ้เพื่อนยกลงไปอยู่เวรที่อำเภอเขาเป็นประหลาดอำเภอเขาแกา่กันเราแต่เรียนชั้นเดียวกันเป็นประหลาดอำเภอเขาจะไปเนี่ยเขาก็บอกพัญญาเขาว่าเพื่อนมาเราก็หิวข้าวน้าําลายห ล, ย, ห ล, ย, หลยุๆๆๆๆ่ดหยู่อยู่ขึ้นไปก็ยกมือไหว้เรา ม, ามันมืออ่อนเนาะชอบไหว้นิสัย ไ, ไม่ดี เจอยกมือไห ว, คน น, นไวคนน้อนไหวคนนี้มือไม้อ่อนเนาะดีไหมดีนะเขาก็ถามบอกคุณทานข้าวอย่างโออิไม่ต้องมันก็มองหน้าแหละบอกอินมวันนี้อินมมากทานบ้านเพื่อนมาแล้วแล้วเดี๋ยวหายไปเลยบอกคุณฟาบานก่อนหากับข้าวมาเยอะเราพอเห็นกับข้าวน้ำลายหลา ย, ยืดเยอะ เดี๋ยวสาธิตให้ดูน้ำลายมันไหลร้ลองหิวเรียนองหิวหิวทั้งวันเลยแล้วเราก็มองดูสำนัก บ, บอกไม่เป็นไรขอบคุณมากครับอุตสาหไปหากับข้าวมาสี่ทุ่มกว่าแล้วไม่เป็นไรครับผมไม่รับแล้วครับเพราะว่าทานอิ่มมาจากบ้านน้องอิ่ ม, มากแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปตลาดเดี๋ยวกลับมาเนี่ยไปหากาแฟ เข้าบ้านก่อนเพราะเชีได้ทำงานรู้ไหมแสดงว่าไม่ไม่ได้รับทานกินเข้าไปหิ้วจอาเยนพอเขามาเขาก็โมงแล้วเขายิ้มแสดงว่ารู้โอ้โหทั้งวันแล้วไม่ยิ้วอะ ขอโทษนะสองวัน น, ะน้ำไม่ได้อาบเลยจำไว้อาบน้ำบ่อยไม่ดีมันเปลืองเขานะประสุมปรการเล่าอยมกับตอนเช้าเขาก็ไปจ่ายตลาดเราก็ดูบ้านทานจะดูได้ไปงบไปไฟฟ้ากระจาดเดินตามตูดเข้าไปโคตลาดบอกคุณนายไปได้ลูกจ้างที่ไหนมาเล่าล้วก็บอกขอบคุณครับสวัสดีครับผมเพิ่งมาเป็นลูกจ้างเขาเมื่อวานนี้ครับสวัสดีครับ เรามันมืออ่อนมืออ่อนแต่ตีไม่อ่อนแล้วตีแข็งดีมาดีเตะเนาะเขาดีผัวเขาเนี่ยไม่เคยพูดกับเราเพราะเราเคยรู้นิสัยดูได้เดือนนึงเลยเดือนนึงช่วยงานเขาบ้านนี้เขาเมีอาชีพพ่อแม่เขามีอาชีพหาน้ำมันยางขายขี้ตายรือจากขี้ตายไหม คุ้ยเขาต้องเดือนเครื่องตอนเครื่องชงเราหายหมดเลยเขาซื้อให้ใหม่หมดดีไหมนาฬิกาก็ซื้อให้ใหมด่ดีไหมแม่บ้านดีทํางานจะตายใช่ไหมโยมให้ด้ว ย, ยไหมโยมวางเป็นอาตมาดีเขาพูดเพราะอย่างเดียวช่วยเขาทุกอย่างดีไหมมีเมียให้มันได้อย่างเนาะนี่ผูดเล่นนะ ถ้ามีแม่บ้านอย่างนี้แลก็จบเลยแม่บ้านบูชานั่งกว่าพอเพื่อนผัวมาเห็นไหมดิประวัติศ า, าตร์ตประทับแต่นากรรมฐานไม่เป็นนะอันนี้เล่าประสบการณ์ให้โยมฟังที่ปรามาประสบการ์ู่มาในไม่ชา้าพัญญามีลูก2องคนแล้วก็ตาย แต่สามีอยู่ในเวลาการต่อมาเขาก็ย้ายโยกไปไปเป็นนอำเภอแล้วก็พาลูกมาวัดแล้วก็สองคนผมมีนะก็มาถวะแต่ไม่ใช่วันนี้นะคือเราบวชวันนี้มีเล่าประวัติให้ฟังว่าชีวิตในครอบครัวแม่บ้านดีสักคนอยู่สามีไม่ดีไม่เป็นไรแม่บ้านเขารับแผลเขาหุงข้าวให้เรากินโยมไม่ได้เป็นคนหงุงโยมจะดียังไงก็กินไม่ลง แม่บ้านเขาเป็นแม่ครัวแล้วก็เป็นแม่บ้านการเลี้ยงแครศาสตร์แม่แบบแม่แผนแม่เกลิ่นดีสักคนเดียวลูกดีหมดทั้งบ้านขอฝากไว้สามมีเป็นอิพลได้เพราะแม่บ้านดีสามพัญญาม่ายงเนี่ยสามีเป็นอิพนไม่ได้กโแห่งกรรมจบไว้แหละเพราะนั้นก็ขอฝากญาติโยมโยมผู้หญิงทั้งหลายเราเป็นแม่บ้านการเลี้ยงแครศาสตร์สอนลูกผู้หญิงไม่ได้ แม่แบบแม่แผนแม่แผนทำมาถูกแบบถูกบทจะได้หมดจดหมดเจาะมีลูกดีหมดทุกคนสามีที่เหลาเมายาลูกไปนอกเตอร์ได้เพราะแม่บ้านดีเท่านั้ น, อนพอบ้านจะไปเจ้าเจ้าชู้ไม่เป็นไรจะเล่นการพนันกินเหล้าไม่เป็นไรเหมือนอย่างพวกจัมประจวกิริขันแม่บ้านดีสักคนอยู่พ่อบ้านเลิกเดิมโชวลาติดมาสี่สิบปีแล้วเลิกนี่มาวันนี้กลับมารับพวกนักกรรมฐาน จังหวัประจวบคุริศขันแล้วลูกดีหมดเอารูกมาบวชทิงไม่เล่นการพ น, นันไม่เสพยาเสพติดช่วยพ่อแม่ค้าขายสร้างหลักฐานได้ดีด้วยเพราะนั้นกรรมอาฐานจึงแก้ปัญหาชีวิตได้ดีแล้วก็สวดธรรมะกาไว้ญาติโยมทั้งหลายลูกจะดีโรคเสจ ย, ยาเสจติดเมืออไรเนี่ยจะหายพ่อแม่ไม่นี้ธรรมะเลย ไม่ครบวงจรลูกดีไม่ได้สามาขอฝากไว้เรื่องจริงอย่เพราะฉะนั้นกรรมฐานไม่อยไปสอนให้่านเอาลูกเป็นคนดีครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นโยมเลยจิตไม่สงบมีแปดะการสามารถที่ไม่เกิดมีอยู่เจ็ดอาการที่พูดซ้ํำชาบมานานเนี้ยจิตไม่สงบหนึ่งมีไม่พอสองใช้เวลาว่างเกินไปจิตไม่สงบ ใช้เวลาว่างเลยไปจิตมันจะคิดเท่าไม่ดีสามทูเบียนเบียนจิตใจคิดไม่สงบสี่อวัยวะไม่ต่างหรือความปกติธาตุทั้งสี่ขาดไปธาตุดายธาตุหนึ่งขาดจิตท่านจะไม่สงบเลยเดี๋ยวปวดท้องเดี๋ยวก็ล้มขึ้นล้ลงเดี๋ยวกลายไปโน่นเปนี้ห้าโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนหกสิ่งแวดล้อมดึงไปทางทั่ว ไปอยู่ที่ถึ่งไม่รอดไม่ดีจิตท่านจะไม่สงบเกลดครอบครัวไม่มีความสุขทะเลาะกันทุกวันจิตท่านจะไม่สงบเลยแปดมัวเบาเอาใบมัวเมาใบยมุกหาความสนุกในสังคมจิตจะไม่สงบหรือไม่จะแปลกระการไม่มีใครเถียงฝรั่งยังเถียงไม่ขึ้นจิตเป็นสมาธิไม่ได้มีอยู่เจ็ดปรการหนึ่งนั่งไม่ถูกวิธีสองจิตตกกังวล คิดโน่นคิดนี่อะไรแต่ไรตกตังวลเนี่ยจิต ท, ท่านจะไม่เป็นสมาธิเลยสามเหนื่อยใจเหนื่อยกายแบกกระสอบเดี๋ยวก็หายเหนื่อยใจไม่มีทางหายเหนื่อยใจเยอะเกินเหนื่อยใจเยอะเกินทุกข์ใจเยอะเกินเอาทุกข์มาไว้ที่ใจมันจะเหนื่อยใจนี่ก็สามสมาที่ไม่เกิดเนี่สี่โรคภัยค่ะเจ็บเบียด ห้าราคะเกิดหกโทษสาเกิดเจ็ดเอาทก็ล้มมากระทบอย่างแรงจิตท่านจะไม่เป็นสมาธิถ้าไม่ฝึกไว้ก่อนมีเจ็ดปการจำไว้เจ็ดปการเนี่ยจิตไม่เป็นสมาธิเลยต้องฝึกขอพระทานโทษจะมาฝึกตอนแกน่จะแย่ตอนตายบอกลูกหลานแต่เล็กๆ เ, เอาเลยเอาเลยก็ไปฝึกตอนแก่นะ แก่ๆแกจะมาฝึกแล้วเดินจะไม่ไหวอยู่แล้วอ้อต้องสักกเท้ายันเตยันตังแล้วจะมานั่งกรรมาฐานได้เลยฮะโยมลืม่นจิกอายุสี่สิบกว่าเนี้ยกำลังดีเป็นโรคมะเร็งจาก์สวิเแลกินกระดูกผุหมดแล้วต้องตายภายในเดือนต้องตายแน่นอนมีลูกสามคนกับสา ม, มีเป็นฝรั่งแพทย์สวิเชลบอก ตายเดือนก็ดูภูหมดแล้วก็ดูนี่หมกภูหมดเลยตายเธ อ, อสามีบอกเอานี้แล้วกันนะลงให้ตกะ ล, ลูกเราจะรับเลี้ยงให้คุณไปตายเมืองไทยบ้านอยู่คนครสวรรค์ไปตายเมืองไทยแล้วกันเราจะรับเลี้ยงลูกเองลูกสามคนรับเลี้ยงเองเขาตัดสินใจโทรมาลองพ่อคะช่วยทําทําศพให้หนูหน่อย บอกมาเลยจะเอ า, เอาขนหรือเอาละครองนี้เทศฟรีเทศฟรีและจะมีมนพระมาธิกาฟรีฟรีหมดทั้งทุกหนังมาเลยมาเดินไม่ไหวขาก็ดูผูกหมดแล้วก็ดูผูกหมดเลยบอกลืมจิตกินน้ำตาะ เดินจกลมตายข้างฝาเดินขวาย่างเหรอตายตา ย, ตายน้ำตาร่วงปวดหายเลยไหมหายเลยทําไม่ได้ยังยตายให้มันตายกลัวตายไหมคะกลัวตายไหมกลัวตายไหมฮะไม่กลัวแน่เลยกลัวตายไหมไม่กลัวเพราะอะไร ไม่กลัวงั้นเหลอพูดไม่หมดเปลือกพูดไม่หมดเปลือกต้องพูดอย่างเนี้ดิฉันไม่กลัวตายยังไงยังไงก็ไม่กลัวตายตายเป็นตายกันเขาตายกันเยอะแต่หนูยังไม่อยากตายอยู่นี้พูดทางนี้ชเป๊าะเนอไม่อยากยังไม่อยากตายอยู่ที่ถูกไหมที้พูดเนี่ย หลวงพ่อค้าหนูไม่ไม่กลัวลตายเมื่อไรไม่เป็นไรไไไนพอจะตายขึ้นมาหลวงพ่อค้าไม่กลัวตายแต่หนูยังไม่อยากตายเดี๋ยวนี้แล้วอยากจะอยู่ทําบุญนอย่างที่ว่าเนี่ยอย้กจะทําบุญต่อไปอีกอยจะช่วยหลวงพ่อค้าเลยท้าเวชวันก็เห็นเออเขาอยากจะอยู่ต่อไปเลยในหะ้อายุยืนต่อไปดีไหม นะเอาละให้อยู่คนละร้อยปีได้ไหมนี่นี่บางคนบอกให้อยู่ร้อยปีนะบอกว่ามากนะพอจะเจ็บะตายหลวงพ่ อ, อขาหลวงพ่อขาหนูอนะ่ะบาดเจ็บแล้วค่า80เป็นยังเรยกหนูเนะี่ยบอกว่าไม่กลัวตายหรอกหลวงพ่อขาจะอยู่รอ บ, บวชหลานจะคน พอบวชหลานได้แล้วน่ะจะตายแย่หลวงพ่อคะแต่อี่หนูสักนิดหนึ่งหลานคนเล็กอะ่ะแต่งงานจะตายให้มันตายเพราะแต่งงานเสร็จแล้วจะตายขึ้นมาหลวงพ่อคะ mm hmm. ก็เนึกว่าจะทําบุญอีกสักนิดจะเท่ากฐินเอไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องจริงนะเนี่ยจริงไหม ย, ยอมยอมไม่ต้องกัวตายกัวตายไหมเอาล่ะถ้าไม่ใช่บุกรรมฐานจะไม่พูดเลย จ้บอกยาพิเศษยาพิเศษของเราเนี่ยรับรองร0อยปรเตไม่จมจดไม่สองอย่างจำไห้นะหนึ่งรับทานข้าวไว้สองหายใจไว้ไม่ตายไอคนที่ตายเน่ยมันไม่หายใจใช่ไหมไม่ตายอ่าเปลดมาแล้ว เนื้อสง้อ บ, บเปลดได้ก่อนรอให้โยมก็ไปที่ห้องก่อนนะแต่แต่หาที่โยมที่ห้องหมดจะเป็นเปล็ดด้วยอะไรมานะแพ้ไม่ตาแม่ตามจะสับพโลกับมิงมานะสัมภาวเยอปริมานมาขับรถโยมผูทชายขับรถภาวนาอย่าง หรือยาวไปเอาของสมเด็จโตเมตตาคุณนางอลหังเมตตาจำไว้เลยเมตตาคุณนางอลาหังเมตตาเท่านี้พอเลยแปลว่าอะไรเมตตาแปลว่าปรารถนาดีคุณนางมีประโยชน์ต่อชาวโลกคือเมตตาอลาหังแปลว่าไกลจากกิเลสถึงจะมีเมตตาถ้ายังมีกิเลสอยู่ไม่มีเมตตาแน่นอนจำไหมเมตตาคุณนางอลาหังเมตตาเท่านี้ ยานายังต้องมานั่งกรรมาฐานเพราะคาถานเราคุณธรรมกิติวลคังคือสมเด็จโตแผ่เมตตาให้ยานาวัณหาบุตมานั่งกรรมาฐานวันลคังดาคือบทเมตตาคุณนางอรหังเมตตาตัวโยมจะไปเจอยานาถ้าได้แผ่เมตตาจำไว้ขับรถเนี่ยแผ่เมตตากรรมาฐานโยมถ้าอารมณ์ดีกําลังขับรถ ลูกเรียนต่างประเทศทรงกระแสจิตด้ไม่ต้องมาสวดมนต์ที่บ้านทาไมต้องแผ่เมตตาต้องมานั่งกรรมาฐานก่อนหรือสวดมนต์ก่อนเพราะอะไรเพราะอารมณ์ยังไม่ปกติต้องสวดมนต์ก่อนถ้าอารมณ์ปกติกําลังขับรถดีอกดีใจชื่นใจกําลังขับรถกระโฉบเมตตาให้ลูกดาลูกอยู่ชิคาเลนหรือลอนดอนได้เลยถ้าอารมณ์ไม่ดีอย่าไปแผ่เหมือนยิงปืนตกปากกระบอกไม่มีกําลังสนไม่ได้ผล น, นะ มาทานข้อประทานโทษนยนะมันทำให้จิตเราชื่นและเบิกบานทั้งสารลืล่นนี้นเลยตีไปดกหยิบยกไปในใจคือสติประทานสิสติสัมปชัญญะแล้วเราไม่ผูกใจเจ็บกับใครไม่ผูกพยาบาทใครไม่อฉาคริษยาใครมีเมตตาเนี่ยตาปุี้ออกไปโยมมีเมตตาส่งกระแสเจห้ลูกเอ็นทาหรือหลานเอ็นทา หลานจะเข้าแพทย์หมอไม่เคยพลาดส่งให้ลูกให้หลานโยอมอาจจะมีหลานมีเหลนก็ดอาชีวัตต้องสวดมนต์ก่อนเน้ะก็นางกำรทานก่อนสําสหรับจิตมันไม่อยู่ที่อารมณ์ไม่ดีก็ต้องสวดมนต์ก่อนทําไมต้องสวดบุทธคูนท า, ายุเป็นการต่ อ, อยุคทาให้มากเข้าไว้ดีกว่าน้อยให้มันมากกว า, ายุมันจะได้ต่ อ, อยุคไป คูณหรือบวกนะอย่าหานเลยอย่ามักง่ายมักดาถ้าลมดีแล้วก็แผ่เมตาถ้าเราผูกใจเจ็บมันจะเป็นเหตุห้าประการถ้าผูกใจเจ็บหรืออิจฉาใครหนึ่งเป็นสาเหตุทาให้เกิดความแตกแยกสามัคคีสองไปอุปสัรคในการประสานงานที่ดีสเป็นการขับขวัญกำลังใจต่อผู้ปฏิบัติงานสสร้างศัตรูให้กับตัวเอง สร้างศัตรูให้กับตัวเองห้าไม่มีความจริงใจกับเพื่อนรวมงานมือห้าประกาศถ้าเราจิต ด, ดีมีเมตตาจะไม่เป็นอย่างนี้เลยจะมีแต่สามาคีทาพี่น้องก็รักกันพี่น้องจะไม่อิกชฉาริษยาขอประทานโงอถ้าพี่น้องทะเลาะกันระแบงแ ย, ยกสมบัติการโยมอยู่ในกลุ่มนะี้ขอให้แผ่เมตตาให้เขากับเราอย่าเป็นศัตรูกันเลยเราเป็นพี่น้องกันแล้วแผ่ทุกวัน ได้ผลเลยเขาจะไม่เป็นอริ่กับเราจะไม่เป็นศัตรูกับเราเพราะฉะนั้นตรงแผ่เมตตาให้ศัตรูเป็นมิตรกับเราที่ศัตรูเนี่ยนะไม่ใช่คนอื่นเลยนะส่วนมากเป็นญาติเจรินพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันแท้ๆเรียนมาด้วยกันยังทํากันจะได้คนอื่นเนี่ยเขาไม่ทําเราแร้วเชื่อเรายอมเชื่อตอมาเชื่อตอมาฮะถ้าคนอื่นเขาไม่ได้มีรายรู้จักกับเราเขาไม่ทำํำไมเรา อย่าลืมนะเพื่อนชนิด ต, ตัวชําขัดทําได้อย่างหน้าลงคอสองย่าชนิดมิจะหายทําได้อย่างลงคอองค์ได้ชัดเจนแต่คนอื่นเนี่ยเขาไม่ทําเราล็อกโยเขาไม่รู้จักกันหล่เพื่อนระวังนะปีนี้มังกรทองอย่าไปเซ็นรับประกันใครนะรู้ไหมเนี่ยอย่าไปเซ็นข้าประกันใครอย่าไปเป็นในหน้าในนี้ไปนี้ห้าเป็นพี่น้องก็ห้า ทำไมเดี๋ยวจะเสียท่าเพราะมันปีมังกร่อถ้าคุณไหนขาดคุณธรทำจะกลายเป็นมังกรเหล็กแต่ลราจะช่วยเขานาโยมเขามาขยืมเงินโยมปีนี้นะลองให้ตกให้เขาไปเลยถ้าเป็นพี่น้องให้เลยไม่ต้องเอาตอบแทนเพราะไม่ได้คืนต้องคิดหนอก่อนก่อนจะให้คิดหนอจะได้คืนไหมหนอ ไม่ได้หนอะให้ไปเลยหนอะไม่ต้องเสียวเวลาหนอะคิดหนอมึงไม่ให้กูหนอะกูก็ไม่เขาเ ย, ยีมหนอะไม่ได้เราเป็นพี่น้องกันถัวเฉลีย่ยเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนเลยเอาไปห้าใบโมดเรื่องไปเดี๋ยวเห็นหนอยิ้มตอนกู้เป็นศัตรูตอน่วง แต่เราก็ไม่ว่าอะไรกันโยนแต่สู้ญาติไม่ได้แต่พี่น้องกันเนี่ยไม้ภายต่างร่องพี่น้องต่างใจท้องเดียวยังเหมือนกันไม่ได้แต่ญาตินี่ยหายญ า, ยาตญาติกานั้นจะญาตินั้นก็ศาสนาหนึ่งคุ้นเคยกันสองไปมาสู่กันเสมอสมอาศัยได้ไม่อะไรช่วยเหลือกันตลอดนี่คือญาติเป็นพี่น้องกันไม่มีสามข้อไม่ใช่ญากิเป็นแต่พี่น้องท้องเดียวกันญาตเนี่ยต้องคุ้นกัน รู้ใจกันด้วยไปมาหาสู่กันเสมอไม่อะไรทุกโศกรกภัยต้องช่วยกันได้ถ้าช่วยกันไม่ได้ไมันชะยากถูกไหมธรรมมาพูดถูกไหมเนี่ญาต์ต้องเอาสามอย่างบวชเป็นญาติกับพระศาสนาโยมมานั่งปฏิบัติเนี่ยเป็นญาติญาติศาสนามีธรรมะประจำใจนี่เร็วกว่าญาติญาติญาต ก, การนั่นจกบวชนี่เป็นญาติในพระศาสนาไม่ใช่นงเหลืองห่มเหลืองเป็นญาติ บวชสามวันเจ็ดวันจะเป็นญาดเดนะ่นไงนไม่รู้มองไม่เห็นนี่เอาธรรมะไปไว้ในใจเอ า, าศาสนาไว้ในใจศรษสมาที่ปัญญาไว้ในใจใจราษฎร์สามเลือดสองมีสติธรรมะัญญะมีสติธรรมัญญะย่าขาสติย่าขาสติย่าขาสติอย่าขาดความรู้ตัวรู้ทั่วรู้กาลเทศะกิจารคณารู้บาปลูบุนรู้คุณรู้โทษรู้คืนเรื่อไป็นประโยชน์ไม่เบียงเท่านี่พอหนึ่งไม่จะมา อยู่ด้วยความไม่ประมาทเท่านี้พอแล้วเนี่ยเป็นญาติศาสนาโยมจะไปสร้างสลาสักสิบลังก็ไม่เป็นญาติถ้าไม่มีหลังไม่มีสติสัมปชัญญะเลยไม่รู้คําสอนพุทธเจา้าพุทธเจ้ามีจะให้กต่มีจะให้แต่ช่วยโยมเราเป็นญาติกันต้องช่วยกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันขาดเหลือเผื่อไฟก็ต้องช่วยกันลูกเรือนก็ต้องช่วยกันแต่พี่น้องทองเดียวกันช่วยอะไรกันไม่ได้ไม่ใชิญะจําไว้ เป็นที่น้องท้องเดียวกันมาหน้าเหมือนยักษ์ยักษ์เอวยักษ์ไหยักษ์เหนือยักษ์ตายยักษ์ ย, ยอเดี๋ยวนี้มนุษย์หายไปเดี๋ยวนี้ไปไหนก็มีแต่บ้านยักษ์มาเร็วๆนี้ไปกรุงเทพมาเนี่ยมันไม่ใช่เร็วสามปีเลยไปกรุงเทพมาต้องขอเจริญพรลาเลยนึกว่าบ้านมนุษย์ไปเจอยักษ์ค่ะหัวเมียทะเลาะกันในห้องนึกว่าเราไม่ได้เย็นโอ้โหเรานี่มันแปลก เวลากระซิบได้ยินเลยเขาด่ากันในห้องได้ยินออกมาที่หูเราแล้วลูกเอาแก้วมาตกแตกเพล้มตบพรวโยมรับพรเพราะเจริญพรลาไม่ได้อยู่ชั้นเพนหรอกมีธุระที่วัดเราก็พูดก็โคตรว่าแหมมาผิดบ้านจะแล้วพระภัยมณีจะอยู่ได้เหรอจะต้องหนีไปหาชุวันราชชุ ม, มาลี ที่วัดเราดีกว่าเนะเลยวันนั้นไม่ได้ฉันเพลงเลยสมน้ำหน้าเราไหมช้า <c oughs> ไม่ลงดากันต่อหน้าเรานี่กรุงเทพขอประทานโทษโยมอยา่าทะเลาะไปนี่ขอมินชบาหนักนี้เบาหน่อยให้อภัยกันพี่นอ้องจะได้มีพระาภาัยมณีมณีแก้วจารณายัย คิดเงินได้นองทองแล้มาแล้วไปนั่งกรรมาฐานสวดมวลภาวนาตีนี้ให้มาอาอยุจะยืนคนไต้หวันเล่าให้ธรรมอาฟังขนาดภูเขาทั้งลูกเลยจมลงไปในดินเลยแผ่นดินไหวภูเขาสูงวะจมลงไปในดินเลยเห็นไหมคนตายเป็นหมื่นไต้หวันเขามาเล่าคนไต้หวันมาที่แต่เขาอยู่ห่างพันธนญาณที่ไ ท, ทยเปมันไม่มีแผ่นดินไหวขนาดภูเขาสูงแท้ๆยังจมลงไปเลยเห็นม เขาเรียกแผ่นดินทอนี้ฉุกไม่ใช่เหลือมเหลวไหลยอย่างเห็นเทวธาตุไหมแค่แค่คิดอาฆาตผู้เจ้าแค่หินกลิ้งจะไปให้ท้พผู้เจ้าตายโดนเลือดชิบชิบทอนี้ฉุกเลยอริยประวาอันตรายคิดไม่ดีกับผู้ชงศีลชทงธรรมและผู้มีพระคุณคิดไม่ดีกับพ่อแม่เป็นอันตรายแน่นอนคิดไม่ดีกับครูบาอาจารย์เป็นอันตราย อันตรายเกิดขึ้นมีหอย่างกิเลสอันตรายอันตรายเกิดจากกิเลสลอกกดหลงเกิดจากอันตรายกิเลสกรรมอันตรายที่อันตรายเกิดจากการกระทําวิปากกรรมอันตรายอันตรายเกิดจากวิบากกรรมไม่ชัก่อนแต่เกิดอันตรายยุนอริยูประวาอันตรายอันตรายเกิดจากการตู้จาบพระเหียจ้ะ ต้วนจากกับพ่อแม่และผู้มีบุญคุณครูบาอาจารย์ถ้าเกิดอันตรายในปัจจุบันเกิดแผ่นดินไหวเกิดธรณีสุบได้บางทีคิดไม่ดีกับพ่อแม่ก็เจ๊งกระทั้งที่พ่อแม่ไม่รู้เลยพ่อแม่จะดีชั่วประการใดอยากคิดไม่ดีเพียงแต่คิดเราก็เจ๊งแนละ้วไม่ต้องลงมือทำขอฝ่ายญาติโยงกรรมาฐานคือแผ่เมตตานางกรรมาฐานให้พ่อให้แม่แล้วก็โยงมีบุญที่จะถึงหมด ถ้าเจ็ดช่วโคตรเสร้นเลือดโดเดียวกันไม่ต้องออกชื่อถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานถึงหมดมัต้องออกชื่อถ้านนอกประเด็นนี่เขยสะพ้ายต้องออกชื่อออกชื่อเป็นเพื่อนนอกประเด็นต้องออกชื่อถ้าเป็นสายโลหิตเดียวกันไม่ต้องออกชื่อถึงหมดยอมทำเนี่ยถึงปู่ย่าตายายยอมทำถึงลูกถึงหลานถึงแน่นอนมันยังยมมีลูก เราเป็นลูกของพ่อแม่เราทําดีอย่างเดียวพ่อแม่ก็เชื่นใจเนี่ยเทา่านี้ปัญหาอยู่ทีงนี้ถ้าเราเป็นพ่อแม่ทะเลาะ ก, กันไม่ได้สร้างความดีลูกจะไม่สบายใจชันใดก็ชันั้นเช่นเดียวกับแต่พ่อแม่ทะเลาะ ก, กันเราเป็นลูกก็ไม่สบายใจถ้าเราเป็นพ่อแม่ลูกมันรบกันอย่างเงี้ยจะไม่ ey, เอาไหนเราไม่สบายใจเหลือสบายใจเหลือนี่ชั้นใดก็เช่นเดียวกันวันนี้ก็เวลาพอสมอควรเนี่ย เอาวันนี้ก็ขอโมทนาสาธุการแก่โยมขอตั้งใจสวดมนต์เป็นนิดอดีฉานจิตเป็นประจำเอาโหติกรรมก่อนค่อยแผ่เมตตาเอาโหติกรรมก่อนแล้วค่อยแผ่เมตตาถึงจะได้ผลเรายังผูกใจเจ็บใครอิจฉาใครแผ่เมตตาไม่ออกต่อโหติกรรมไม่โกรธไม่เกลียดไม่ผูกพยาบาทฆ่าพิเวณแต่ท่านผู้ใดกรรมดีจะแผ่ผลไปถึงลูกหลานและบิดามารดาปุญญาธายาโสมปรารถนาทุกประการ ก็ขออำนาจคุณมาสิยตนะจายอำนาจคุณผู้ชมทั้งหลายคุณประธานพรให้ญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมบวชในธรรมะปฏิบัติ